พื้นสูตรก็สดงเอาไว้แล้วเราไม่เนี่ยหูฟังเราไม่ได้ดูไม่ได้เห็นมีแต่ เ, เข้าไปเป็นกับมนันเป็นจิตก็ดีจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตประกอบเป็นคู่กับวารลมคู่กับจิตจิตเป็นผู้ที่รับผิดถึงก่อนจิตไปก่อนสัมผัสอยู่ที่จิตอย่างที่เราสวดนนะ่ะมโนปุพังกมาตม า, โามโนจตามายวมายา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 บางทีความหลงเป็นเจ้าของนานเหลือเกินความโกรธเป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนความทุกข์เป็นเจ้าของข้าหวันข้ามคืนความรักความจังเป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ใช่ในทางที่ผิดพลาดช้ำมัวมไปจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะาลมร่อยกูเสือทำลายคนมามากแล้วเอาจึงมาดูเห็นจิตในจิตจิตก็เป็นจิตล้วนล้วนรับรู้